เรื่องการสรรหาเจ้าคณะมนทนและเจ้าคณะจังหวัดเมื่อตำแหน่งเจ้าคณะมนตรีมาแข่งและเจ้าคณะจังหวัดนครพนมว่างลงความทราบถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงชินวรศิริวัตรสถิตนวัดราชบพิษให้สรรหาผู้สมควรแต่ควรเป็นคนทางภาคอีสาน ไม่มีใครนอกจากพระจันทร์เขมิโยกับพระมหาจูมพันธุโลวัดเทพศิรินโปรดให้นำตัวเข้าเฝ้าทอดพระเนตรเห็นตรัสว่าพระจันทร์มีวุฒิแค่นักธรรมตรีอายุพรรษาก็มากอยู่แต่วุฒิการศึกษาไม่เข้าเกณฑ์จะเป็นเจ้าคณะมณฑลเป็นเจ้าคณะจังหวัดได้ให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ส่วนพระมหาจุมปรเรียนสามนักธรรมโทเข้าเกณฑ์แต่อายุแค่28พรรษา8ปอายุพรรษายังน้อยนักจะไหวหรือนี้คือพระดำรัตแต่ไม่มีตัวเปลี่ยนจึงนำตัวพระทั้งสองรูปเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าในขนาดนั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงปรึกษาเรื่องพระมหาจูม กับพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงรับรองอย่างแน่พระไทยตรัสว่าทรงไปได้เลยหม่อมชั้นรับรองพระมหาองค์นั้นไม่มีทางเสียหายมีแต่ทางดีสมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็สนองพระประสงค์พระจันเขมิโยและพระมหาจุมพันธุโลเคยออกปฏิบัติกรรมฐานกับท่านพระอาจารย์มั่นท่านเห็นว่าไม่เป็นวิสัย จึงนำฝากเข้าศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเทพศิรินท่านพระอาจารย์เล่าว่าธรรมเนียมการส่งพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิไปดำรงตำแหน่งวัดสำคัญจะต้องนำตัวเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าหรือพระสังฆราชและองค์พระมหากษัตริย์ก่อนมณฑลมาแข้งประกอบด้วยจังหวัดเลยหนองคายนาครพนมสกล น, นครและอุดรธานี เป็นวัดคณะธรรมยุตจัดการศึกษาทั้งด้านบาลีและนักธรรมการปฏิบัติธรรมวิันเป็นไปอย่างมีระเบียบเยียยิ่งมากขึ้นทุกจังหวัดมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดโพธิสมพรแม้ต่างมณฑลยังส่งมาเรียนที่นี่สามสี่ปีให้หลังผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับได้รับพระราชทานตำแหน่งพระครูสัญญาบัตรทั้งสององค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ส่งชมเฉยพระเจ้าอยู่หัวต่อหน้าพระพักว่าส่งมีสายพระเนตรไกลมองดูบุคคลออกพระพันษาน้อยอย่างพระมหาจุมพอพระไทยทรงไปเป็นเจ้าคณะมณฑลได้นี่คือผู้เล่าได้ฟังจากท่าน